พื้นพรมมันก็ทำให้เกิดความคลั่งในใจเสียงออกเอาจิตมาท่องเสียงออกจากปาก <c oughs> แล้วก็ว่าตามคําที่เป็นธรรมะรู้สึกจะเป็นสริริเป็นมงคลที่เป็นมงคลที่สําคัญที่สุดก็คือความสงบของจิตนั่นแหละในระหว่างที่เราใช้งานเนี่ยกิเลสมันดึงไปไม่ได้จะ ต, ต้องตั้งใจจริงนะ แม้แต่เราสวดนี่มันก็ดึงไปได้เหมือนกันถ้าเราไม่ตั้งใจมันดึงไปคิดนน้นคิดนี้ดึงไปคิดราคะโทสะโมหะมันดึงไปคิดได้การที่เราพยายามปิดกั้นไม่ให้มันมาแสดงบทบาทในใจของเราได้อันนี้เป็นหน้าที่ของเราเรายังทำได้มากเท่าไหร่มันก็จะเริ่มมันมันก็จะเป็นเหตุเริ่มปิดเริ่มกั้นที่ท่านเรียกว่าอาหารประทาน ประหานประทาน เ, าเพียนละจะเรียกว่าเพียนละยิ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้เท่าไหร่มันเป็นประหานประทานเป็นการเพียนละเราเอาใจไปทําอย่างอื่นไม่ให้กร็มันแทรกมันก็เป็นการเพียนละไปในขณะเดียวกันทั้งเพียนละทั้งเพียนบําเพ็ญนี่มันไปในในหน้าเดียวกันแต่มันเป็นสองหน้าในขณะที่เราเพียนละ แต่มันก็เป็นการเพียนบําเพ็ญไปในขณะเดียวกันนะพอมีผลอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็รักษาเอาไว้นะส่งเอาไว้รักษาเอาไว้ภาวนาทำให้เกิดนะอนุรักษนารักษาเอาไวนะ้การที่เราจะสะสมให้ใหเพิ่มพูนให้ทวีคูณให้มากให้มีมันก็อยู่ในหลักนี่แหละ อยู่ในหลักทาให้เกิดพอเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วก็รักษาไว้ของเก่าก็ยังอยู่ของใหม่ก็เพิ่มขึ้นของเก่ายังอยู่ของใหม่ก็เพิ่มขึ้น ม, มันก็เป็นการเพิ่มพูนไปจิตใจที่เคยอ่อนแอก็จะแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นจิตใจแข็งแรงก็คือสติแข็งแรงสัมผัชัญญะแข็งแรงปัญญาแข็งแรง กราพร